มาจากที่ไหนกรุง เ, เทพนะลูกเรียนจบไปยังใกล้เลยเรี<ม>อยอยู่ที่ไหนที่แคนาดาแคนาดาเมาืองอะไรเมืองอะไรแวนเวอ์แวนคูเวอร์ที่นี่ก็มีพระมาจากแวนคูเวอร์อยู่รูปหนึ่ง เป็นคนไทยแต่พ่อแม่ย้ายไปอยู่ที่นั่นเมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพเรียนที่มหาไทยอเรียนมหาไทยแล้วนี่เขามาบวชอยู่บนเขาชื่อแมทธิวเป็นแคนาเดียนเป็นเชื่อชาติเป็นสัญชาติแคนาเดียนแ ต, แต่เขาเป็นคนไทย ไปเดี๋ยวจะกลับกันวันจันทร์กันเลยมากลับนู่นนี่จะไม่เปิดนะมาอะไรเปิดก็เพิ่งมีลูกเสร็จเพิ่งบินไปแมนคูเวอร์เมื่อ2วันก่อนเขาก็ไปอยู่ที่นันทบาวินิเพก เขาไปเป็นครูสอน อ, อนุบาลเด็กอนุบาลเป็นคนไทยแต่แต่งงานกับชาวแคนาดาแล้วเขาก็ได้ซีดูเซนแล้วเขาก็เลยได้ได้งานทำที่นั่นพอปิดเทอมเขาก็กลับมาบ้านเขาอยู่ที่สัตหีบเนี่ย ที่แคบบนบวนคูเวอร์นะแคนูเวอร์ว่าคนจีนเยเยอะเหมือนกันนะใช่เป็นเหมือนซานฟรานซิสโกคล้ๆ น, นะแล้วเรียนจบมันจะกลับป่าแล้วจะอยู่ต่อยังคิดอยู่ค่ ะ, ะคสาได้ได้งานที่นูน่นใช่อือม ได้งานอะไรทำบัญชีค่ะทำบัญชีอ๋อถ้าได้งานเขาก็ให้อนุญาตให้อยู่ต่อได้เลยเ อ, อืมถ้ามาพระอาจารย์อ๋อจากฟังใน YouTube ก่อนค่ะอืม t u b e Facebook อันนี้ก็มีถ่ายทอดสดอยู่เลย ถ้าอยู่ที่นั่นก็ติดตามถ่ายทอดสดก็ได้ดูดูคลิปย้อนหลังก็ได้ถ้าถ่ายทอดสดถ้ามีคำถามก็ส่งเข้ามาถามได้ตอนนี้เข้ามากี่คนแล้ว <18 9. S> 1้อยแปสิบเก้าค่ะแปดสิบเก้าตอนนี้ y o u t u สิบ1อ็ดแล้วกำลังกำลังขึ้นไปอีกก็ปกติวันละสามร้อยกว่าเฟซบุ b o ยูทูปก็ห้าสิบ โทนี่ยังไม่เข้านะ yeah. mm hmm. มีโทนี่อยู่ลาสเวกัสเป็นชาวอเมริกันอยางนี้ทางต่างประเทศเขาก็สนใจพระพุทธศาสนากันเอาศึกษากัน mm hmm. เพราะชีวิตต่างประเทศจเจริญทางวัตถุแต่จิตใจกับไม่จเจริญจิตใจกับร้อน จิตใจกับวุ่นวายกับเครียดมีต้องหาจิตแพทย์กันเรื่อยาไม่รู้จักวิธีดูแลจิตใจถูกความหลงหลอกให้ไปหาวัตถุสิ่งของต่างๆคิดว่าเป็นการให้ความสุขกับจิตใจของตน แต่กลับทำให้ทุกข์มากขึ้นมีความเครียดมีความวุ่นวายมากขึ้นเพราะวัตถุนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดเนะีพอได้แล้วมันก็ติดต้องมีอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่มีก็เสีย อ, อกเสียใจ เราก็จะไม่สามารถให้ความสงบแก่ใจได้ไมีแต่จะให้ความอยากเหมือนติดยาเสพติดอ๋อติดยาเสพติดแล้วก็ต้องอยากเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็เครียดเสพก็สุขเดียวเดียวแล้วเดียวก็อยากขึ้นมาใหม่ คนที่เขาจเจริญทางด้านวัตถุเขาจึงไม่ค่อยมีความสุขทางใจกันก็มีความสุขจากการได้เสพวัตถุได้ใช้วัตถุแล้วก็ต้องมาเครียดกับการหาวัตถุเครียดกับการดูแลรักษาแล้วก็เสียใจเวลาที่ต้องจากวัตถุไป ก็ร่างกายของคนเราทุกคนมันก็ต้องมีวันแก่วันเจ็บวนันตายเวลานั้นร่างกายก็ไม่สามารถที่จะหาวัตถุมามาเสพได้เวลาแก่จะไปไหนมาไหนก็ไปไม่ไหวตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่สนุกสนานเฮา อยากจะทำอะไรก็ทำได้แต่ต่อไปร่างกายมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มไปไม่ไหวพอไม่ได้ไปมันก็ไม่มีความสุขแล้วมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ ไม่สามารถหาความสุขจากวัตถุต่างๆได้วัตถุต่างๆก็ไม่สามารถมาดับความไม่สบายใจได้มีข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถมาดับความไม่สบายใจเพราะไม่มีอะไรจะมายับยังการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายของร่างกายได้ ถึงเวลานั้นก็ไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขแต่ทางพระพุทธศาสนานี่รู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้วัตถุไม่ต้องมีก้าวของเงินทองขอให้มีเวลามานั่งเฉยๆเท่นั้นนั่งเฉยๆมันต้องใช้อะไรบ้างวะ ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีเงินก็นั่งเฉยๆได้เห็นไหมขอทานนี่เขานั่งขอทานทั้งวันไม่ต้องทำอะไรแต่นี่ไม่ได้ให้นั่งขอทานให้นั่งเฉยๆให้ให้นั่งแล้วก็ไม่ให้คิดอะไรเพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวปัญหาคิดแล้วก็เกิดความอยากตามมา ถึงเงินก็อยากได้เงินคิดถึงข้าวของสิ่งของก็อยากได้สิ่งของคิดถึงสถานที่ต่างๆก็อยากจะไปถ้าไม่ได้คิดนี่มันก็จะอยากไม่ได้ถ้ามันไม่อยากมันก็นั่งอยู่เฉยๆได้มีความสุขได้มีความสุขมากกว่า การที่ได้ไปทำตามสิ่งที่อยากทำอยากไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาแล้วก็สุขเดียวเดียวสุขตอนที่ไปเที่ยวพอกลับมาความสุขนั่นก็หายไปแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาต้องไปทาตามความอยากถ้าไม่ได้ทำตามความอยากก็หงุดหงิดลาคาใจ ไม่สบายใจเพะวิธีที่จะทําให้เราสบายใจมีความสุขตลอดเวลาเราต้องมาหยุดความคิดกันถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากได้เราก็สบายไม่ต้องทําอะไรแต่มีความสุขมากกว่าการได้ทําตามความอยาก อันนี้เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยตัวเองที่เรียกว่าทรงตัดสรู้ด้วยตนเองพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรู้รมด้วยพระองค์เองไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้ว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ การไม่ทําตามความอยากเป็นการสร้างความสุขการหยุดความอยากเป็นการสร้างความสุขการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องหยุดความคิดหยุดความคิดแล้วก็หยุดพอหยุดความคิดความอยากก็หายไปไม่เชื่อลองมานั่งเฉยๆแล้วหยุดความคิดดูถ้าความคิดหยุดได้ใจก็จะสงบมีความสุขขึ้นมา วิธีจะหยุดความคิดก็ต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ให้นึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอเราไม่ได้คิด เราก็จะไม่มีความอยากกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจหยุดคิดใจก็จะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าการไปทําตามความอยากการไปทําตามความอยาก ม, มันก็สุขเพราะว่าความอยากมันก็จะหยุดไปชั่วคราวเช่นเราอยากได้อะไรพอเราไปซื้อมา ความอยากได้สิ่งนั้นก็หยุดไปความสบายใจความพอใจก็เกิดขึ้นแต่มันเดี๋ยวเกิดความอยากอย่างอื่นขึ้นมาใหม่พอได้อย่างนี้แล้วก็อยากได้อย่างนั้นต่อพอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ร้อนขึ้นมาใจก็วุ่นวายขึ้นมากระวนกระวายก็สยบก็สส่ขึ้นมา แล้พอเราไปทำตามความอยากความอยากนั้นก็สงบตัวลงไปความความเบาใจความสบายใจก็เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นเดียวเดียวเดี๋ยวความอยากนั้นก็กลับขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเป็นเรื่องของความอยากที่มันจะไม่มีวันหมดถ้าเราทำตามความอยากมันคนอยากสูบบุหรี่เวลาอยากสูบบุหรี่ถ้าไม่ได้สูบนี่ใจ จะสั่นมือจะสั่นแต่พอได้สูบบุหรี่ความอยากนั้นก็จะหายไปมือสั่นใจสั่นก็หายไปเพราะความอยากสูบบุหรี่มันหายไปแต่มันไม่หายไปแบบถาวรเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็อยากขึ้นมาใหม่อยากสูบขึ้นมาใหม่ก็ต้องสูบอีก แล้วยิ่งอยากสูบมันก็ยิ่งมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปตอนต้นก็สูบวันละมวนสองมวนต่อมาก็สิบมวนต่อมาก็ยี่สิบมวนต่อไปก็วันละสองซองสามซองความความอยากมันจะเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอยากมันจะเกิดถี่ขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็อยากวันละสองสามครั้งต่อไปก็อยากวันลสามสี่ห้าครั้งต่อไปก็อยากวันละเจ็ดปดครั้งเ <t> พิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนถึงสูบเลยมากขึ้นไปเรื่อยๆดือมสุาราก็ดื่มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทาอะไรก็จะทาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆชอบรับประทานอะไรก็รับประทาน Luiza. มากขึ้นไปเรื่อยๆ ทางกายมันถึงกลายเป็นตุ่มไปเพราะมันอยากใจมันอยากพออยากแล้วมันอดทนไม่ได้ต้องกินตามความอยากถึงจะถึงจะสบายใจไม่งั้นมันจะไม่สบายใจแต่นี่เป็นวิธีที่จะทําให้เราต้องติดอยู่กับความอยากไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เวลาร่างกายตายไปแล้วความอยากนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้หมดไปกับร่างกายความอยากนี้ก็ยังติดอยู่กับใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราอยู่ที่ใจเวลาร่างกายตายไปใจก็กลายเป็นดวงวิญญาณไป ทเรียกว่าวงวิญญาณออกจากร่างไปความจริงใจไม่ได้อยู่ในร่างกายหรอกใจอยู่อีกที่หนึ่งอยู่คนละที่กับร่างกายใจอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี่อยู่ในโลกกระธาตุโลกโลกที่ร่างกายอยู่นี่คือโลกกระธาตุโลกที่มีดินน้ำลมไฟทามาจากดินน้ำลมไฟธาตุสี่ ส่วนใจนี่อยู่ในโลกที่ใจใช้กระแสจิตมาเกาะติดอยู่กับร่างกายมาเกาะที่ตามาเกาะที่หูมาเกาะที่ลิ้นมาเกาะที่ฟันมาเกาะที่ลิ้นมาเกาะที่จมูกเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสและผทะพระทางร่างกายแต่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่มารับรูปจาก ตารับเสียงจากหูแล้วก็ไปมีความสุขความทุกข์กับรูปเสียงที่ได้รับถ้าได้รับรูปที่ชอบก็มีความสุขถ้าได้รับรูปที่ไม่ชอบก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีความทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนหารูปที่ที่ดีรูปที่ชอบรูปที่ไม่ชอบก็โยนทิ้งไปคนเราจึงเปลี่ยนข้าวของกันอยู่เรื่อยๆ เปลี่ยนคนอยู่เรื่อยๆถ้าชอบคนนี้ก็หาก็เอาเข้ามาพอไม่ชอบเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนของเปลี่ยนคนเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเบื่อแล้วมันก็ไม่ชอบเวลาเห็นอะไรจำเจมันก็เบื่อก็เปลี่ยนต่อให้ชอบกันขนาดไหนรักกันขนาดไหน พอเจอกันบ่อยๆเจอกันซ้ํซากเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อก็เปลี่ยนใหม่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็ทุกข์ถ้าต้องอยู่กับสิ่งที่เบื่อต้องอยู่กับคนที่เบื่อก็ทุกข์ใจนี่มาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นนัพ่อหลงพ่อชอบพ่อเห็นอะไรชอบก็อยากได้แต่ไม่รู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวจะเบื่อ หรือถ้าไม่เบื่อเขาก็เสื่อมก็ เ, เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ชอบเช่นเสื้อผ้าใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็เก่าพอเก่าเราก็ไม่ชอบใส่อยากจะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็ไปหาซื้อชุดใหม่มาใส่ชุดเก่าเราก็ไม่ใส่มันละเนี่ยมันเป็นเป็นปัญหาของใจเราใจเราไปชอบ ไปสิ่งในสิ่งที่มันจะทำให้เราเบื่อหรือจะทำให้เราไม่ชอบขึ้นมาหรือบางทีสิ่งที่เราชอบยังไม่ทันเบื่อมันหายไปมันจากเราไปเราก็เสียใจเสียใสรุปก็คือใจเรามาหาความทุกข์จากร่างกายจากสิ่งต่างๆที่ร่างกายไปรับรู้มา คือจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะใจไม่สามารถหยุดความอยากได้ใจปล่อยให้ความอยากพาไปพามาหาร่างกายเพื่อจะได้มีตาหูจมูกลิ้นกายพอได้ตาจมูกหูลิ้นกายก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาวัตถุข้าวของอะไรต่างๆ พอเห็นอะไรชอบก็หามาแล้วก็ต้องมากังวลกับของที่เราชอบต้องคอยดูแลรักษาแล้วเวลาเสียไปจากเราไปก็เสียอกเสียใจนี่คือปัญหาของใจของพวกเราใจของพวกเราถูกความอยากหลอกให้เราออกมาหาความทุกข์กัน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงว่าความสุขของใจนี้อยู่ที่การไม่มีความอยากอยู่ที่การหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องออกมาหาสิ่งต่างๆกันไม่ต้องมาหาร่างกายไม่ต้องมาหารูปเสียงกลิ่นรส ด, ดังนั้น ถ้าเราอยากจะไม่ต้องมาทุกข์กับการมีร่างกายไม่ต้องการมีมาทุกข์กับการมีข้าวของต่างๆวุ่นวายกับสิ่งของต่างๆเสีย อ, อกเสียใจไปกับการสูญเสียสิ่งของต่างๆเราต้องมาหยุดความคิดกันมาหยุดความอยากกันตอนต้นก็หยุดความคิดก่อนเวลาเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็จะหยุดชั่วคราว แต่พอเราเริ่มคิดใหม่ความอยากก็กลับโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้จักหยุดความคิดแล้วขั้นต่อไปเราก็สามารถเปลี่ยนความคิดได้ให้มันคิดไปในทางที่จะทำให้เราไม่อยากได้เช่นเวลาอยากได้อะไรก็ให้มองว่าสิ่งที่อยากนั้นมันจะทำให้เราไม่สบายใจเพราะเรามีแล้วเราก็ต้องหวงต้องห่วงเช่นอยากมีแฟน ถ้ได้แฟนมาเดี๋ยวก็ต้องห่วงแฟนห่วงแฟนเวลาห่วงก็ไม่สบายใจเวลาห่วงก็ไม่สบายใจและเวลาทะเลาะกันก็ไม่สบายใจและเวลาจากกันก็เสียใจนี่คือความทุกข์ที่เราจะไปได้จากการที่เราไปทำตามความอยากเพราะใจเราถูก ความหลงหลอกว่าได้มาแล้วจะดีจะมีความสุขได้แฟนแล้วจะได้มีเพื่อนมีคนมาช่วยกันมาดูแลกันที่ไหนได้กลายเป็นคู่ชกกันพอได้มาแล้วก็กลายเป็นคู่กัดกันทะเลาะกันตีกันฆ่ากันเพราะเราไม่มีปัญญาเรามีแต่ความหลง เห็นอะไรเราก็คิดว่าดีไปหมดอยากจะได้พอได้มาแล้วถึงจะรู้ว่ามันไม่ดีรู่นนี้ไม่เอาดีกว่าแต่ได้มาแล้วมันก็เลือกกันยากจะเลือกกันแต่ละครั้งก็เหนื่อยงั้นก่อนอยากจะได้อะไรให้คิดให้ดีก่อนว่ามันมันสุขหรือทุกข์กันแนะ่สิ่งที่เราอยากได้กัน ถ้าเป็นสิ่งของได้มาก็ต้องห่วงต้องห่วงเหมือนกันได้โทรศัพท์มาเครื่องใหม่นี้ห่วงหห่วงไห ม, หไหมต้องคอยดูแลมันถ้าเดี๋ยวเกิดเป็นเสียมันก็ทำให้เราวุ่นวายแล้วเสียก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปซ่อมถ้าหายไปก็ต้องไปเสียเงินซื้อเครื่องใหม่ละ ของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้ดีไปตลอดมันดีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอยากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าของเก่าไปของเก่าก็กลายเป็นของเสียไปก็ต้องหาใหม่หรือของที่เราเสพด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเครื่องเดิมต่างๆสุรายาเมาบุหรี่ของพวกนี้พอเสพแล้วก็ติด ต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็งดเงียบนำคานใจไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ไม่ติดมันเราก็สบายคนที่ไม่ติดบุหรีนี่ก็สบายไม่ต้องหาซื้อบุหรี่ไม่ต้องคอยหาซื้อบุหรีมาสูบคนที่ไม่ติดสุราก็ไม่ต้องหาสุรามาดื่มคนที่ไม่ติดละครก็ไม่ต้องคอยดูละคร คนที่ไม่ติดแฟนก็ไม่ต้องคอยหาแฟนไม่ต้องมาทุกกับแฟนคือสรุปแล้วถ้ามีอะไรแล้วมันจะติดติดแล้วมันก็จะต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่มีก็ต้องหามาคนที่ไม่ติดก็สบายอยู่เฉยๆอยู่กับความสงบดีกว่า อยากจะหาความสุขหาความสุขจากความสงบดีกว่านี่คือการคิดคิดด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราจะอยู่คนเดียวได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายได้เราไม่ต้องมีร่างกายเราก็ยังอยู่ได้แต่ตอนนี้เราติดร่างกายกันไม่มีร่างกายนี้โอ้โหเราทุกข์กันมากเวลาจะเสียร่างกายไปแต่ละครั้งนี่ทุกข์กันมาก เวลาร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้เวลาแก่นี่ทุ ก, กันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุ ก, กันเวลาตายนี่ก็ทุกกันเพราะเรายังไปพึ่งร่างกายอยู่เรายังติดร่างกายอยู่เราคิดว่าต้องมีร่างกายถึงจะได้ไปเที่ยวได้ถึงจะได้ไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่ถ้าเรามาทำใจให้สงบได้เราจะพบความ จริงอีกอย่างหนึ่งว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายร่างกายก็หมดความหมายสําหรับเราไปมันจะแก่เราก็ไม่เดือดร้อนมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อนมันจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกาย มาหยุดความคิดมานั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธกันพอใจสงบแล้วก็สบายไม่ต้องมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องมีอะไรถ้ามีก็มีเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปจนกว่ามันจะตายเนทะ่านั้นถ้าขี้เกียจเลี้ยงดูมันก็ไม่ต้องมีไม่ต้องกินไม่ต้องเดิมปล่อยให้มันเหี่ยวให้มันแห้งไปเหมือนต้นไม้เหมือนดอกไม้ที่เราตัดมาจากต้นแล้ว ฝากไว้ในใจกันที่ยงไว้ทักพักเดียวมันก็เหวี่ยมันก็เฉาร่างกายถ้าเราไม่ให้น้ําไม่ให้ข้าวมันเดียวมันก็ตายตายก็ตายไปเราขี้เกียจไปหาข้าวหาน้ํามาหามายังไงเดียวมันก็ตายอยู่ดีถ้าเราไม่ต้องใช้มันแล้วไม่ต้องอาศัยมันแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็หยุดความคิดทําใจให้สงบไปเท่านั้นเองหยุดความอยาก ไม่มีความอยากไม่มีความคิดอะไรนี่สบายมีความสุขเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราทําทำกันไม่ได้ไม่เคยทำกันเคยหยุดคิดกันเมื่อไม่วันวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยหยุดคิดสักห้านาทีไหมไม่ไม่ให้มีความคิดเลยเนี่ยสักห้านาทีมีไหมอย่าว่าแต่ห้านาทีหนึ่งนาทีมีไหมคิดอยู่ตลอดเวลาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ คิดแล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากก็ต้องไปทําตามความอยากถ้าไม่ได้ทําตามความอยากก็จะตายให้ได้ทรมานใจเราต้องมาแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ตรงความคิดเนี่ยหยุดคิดให้ได้ขั้นต้นหยุดคิดให้ได้ก่อนหยุดคิดได้แล้วจะมีความสุขแล้วพอมีความสุขก็สอนให้ใจคิดปล่อยวางทุกอย่าง ถอนใจให้คิดอยากไปอยากได้อะไรอยากไปอยากมีอะไรพราะได้มาแล้วมันจะต้องทุกข์ขณะที่อยากก็ทุกข์แล้วเพราะคิดอยากจะได้อะไรอนี้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาแล้วพอได้มาเดี๋ยวเกิดได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปนั่นอยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวเสร็จกลับมาบ้านมันก็หายไปละสิ่งที่เราไปเห็นไปดูไปทํา จากการไปเทีここ leave, after, man, ่ยวนี่มันก็หายไปหมดแล้วกลับมาอยู่บ้านก็เหนีเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก็อยากไปเที่ยวใหม่ก็อยากไปอยากมันอยากไปอยู่บ้านไปเลยไม่ดีกว่าเลยนายจะต้องอยู่บ้านอยู่แล้วก็อยู่มันไปหัดอยู่ให้ติดบ้านซะอย่างถ้าติดบ้านแล้วมันก็ไม่ติดเที่ยวตอนนี้มันติดเที่ยวกันมันจะอยู่บ้านไม่ได้แต่ก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเพราะมันเป็นที่อยู่ของเรา อยู่ไม่ได้พอมาอยู่บ้านเดี๋ยวก็เบื่อบ้านอยากไปเที่ยวอีกนะถ้าเราตัดความอยากไปเที่ยวได้เราก็อยู่บ้านได้ไปสายอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องดิ้นรนไปหาเงินมาเที่ยวกันหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้กันหมดดีไม่ดีไม่พอใช้เสียนี่หละความอยากมันจะทำให้เราเป็นทาสของมัน มันจะหลอกใช้เราไปหาเงินหาทองมาแล้วก็ไปหลอกให้เราไปหาความสุขจากการไปเที่ยวกันนะพอเที่ยวเสร็จความสุขที่ได้มาก็หายไปพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมเศร้าเหมือนเดิมแล้วก็อยากออกไปเที่ยวใหม่ังนั้นเราควรจะมาหันหยุดความคิดกันวิธีจะหยุดความคิดก็ใช้ฟุโทโธเนี่ย ตอนนี้เรายังไม่มีพุทธโธกันเรายังท่องพุทธโธไม่เป็นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรียนจบปริญญาแล้วแต่ให้ท่องพุทธโธนี่ท่องไม่เป็นกันให้ท่องทั้งวัดเลยลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธไปเลยพอตื่นนอนลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธก่อนจะลุกขึ้นมาทำอะไรก็พุทธโธเวลาทำอะไรก็พุทธโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไป อาบน้ําก็พุทโธไปล้างหน้าก็พุทโธไปแปรงฟันก็พุทโธไปแต่งเมื่อแต่งตัวก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปเดินทางไปทํางานเดินทางไปโรงเรียนก็พุทโธพุทโธไปพอถึงที่ทํางานก็หยุดพุทโธเพราะต้องใช้ความคิดกับงานก็เอาความคิดมาคิดคิดเรื่องงานคิดเรื่องเรียนะ เวลาอาจารย์สอนอะไรก็ตั้งใจฟังอย่าไปพูดโธตอนนั้นถ้าพูดโธตอนนั้นฟังไม่รู้เรื่องทํางานถ้าไปพูดโธเดี๋ยวทํางานไม่รู้เรื่องเวลาทํางานเวลาต้องใช้ความคิดก็หยุดพูดโธได้ถ้าไม่มีความจําเป็นต้องคิดเราไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันตอนนั้นต้องหยุดหยุดความคิดอย่าไปเพ่อฝันเพ้อเจ้อย่าไปอยากได้ อย่างนั้นอย่าอยาได้อยากอยาไปอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อย่าปล่อยมันคิดอย่างนั้นถ้ามันคิดอย่างนั้นก็ต้องหยุดมันใช้พุทโธพุทโธหยุดมันอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เปิดหนังสือพิมพ์เปิดอะไรดูเห็นโฆษณาเดี๋ยวก็อยากได้ข้าวของอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาอย่าไปดูอย่าไปเห็นพวกนี้ปิดตาถ้าไม่มีความจาเป็นจะด้ง ต้องทาอะไรอย่าไปดูทีวีอย่าไปดูหนังสือพิมพ์หลับตาพุโทโธพุโทโธไปดีกว่าใจจะสงบใจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของที่ขายในหนังสือพิมพ์ของที่ขายในจอทีวีมีความสุขได้ทันทีเลยเองแต่หยุดความคิดหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปลองนั่งหลับตาแล้วพุโทโธพุโทโธไปดู จะมีความสุขเนีย่ยเดี๋ยวนั่งเครื่องไปแวนโคบะเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงเนีย่ยนั่งพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปดูหนังอย่าไปฟังเพลงพอขึ้นไปเขาก็มีบริการเต็มที่ให้กินให้ดูให้ดูให้ฟังจะได้ไม่เบื่อใช่ไอมแต่เดี๋ยวมันก็เบื่ออีกอ่ะเดี๋ยวกิกนเสร็จดูเสร็จฟังเสร็จก็เบื่ออีกอ่ะ ยจะให้มันถึงเร็วๆจะได้ลงจะได้ไปทำอะไรได้แต่ถ้าเรานั่งพุโทโธพุโทโธได้มันจะถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่เดือดร้อนจะถึงเมื่อไหร่เราก็ไม่เดือดร้อ น, เ, อร เ, ร เ, ออนเพราะใจเรามีความสงบมีความสุขนี่แหละคือปัญหาของพวกเราหยุดความคิดกันไม่เป็นพุโทโธกันไม่เป็นหยุดความอยากกันไม่เป็น พะพุโทโธเป็นหยุดความอยากเป็นหยุดความคิดเป็นสบายไม่ต้องไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนหนังสือไปหาไปทำงานหาเงินเสร็จแล้วก็ต้องบินกลับมาใช้เงินพอเงินหมดก็กลับไปหาเงินใหม่หามาใช้ไปหามาใช้ไปจนแก่พอแก่หาไม่ได้ก็ทุกข์่นนี้ไปไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินเที่ยว แลเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เจ็บแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหมก่กลับมาทําอย่างนี้ใหม่เองนี่คือทางเดินของของพวกเราพวกที่ยังหยุดความคิดไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้แต่พวกที่เขาหยุดความอยากได้เขาก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเขาก็อยู่ในโลกที่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับโลกนี้ ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับร่างกายไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้โลกนี้มันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีมาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอนาคตมันก็แบบนี้ตราบใดถ้ามีมนุษย์ที่มีความอยากอยู่ร่วมกันมันก็จะมาแย่งกันมาตีกันมาแข่งกันมาทำร้ายกันมาทาสงครามกันนี่เกิดโลกที่เราอยู่กัน นอกนา้นี้ยังมีโรคจากภัยธรรมชาติอีกเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็พายุเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวมันก็มีภัยของมันอยู่ตลอดเวลาโรืนี้สังวันหนึ่งมันก็ต้องพังแต่อะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้มันก็เกิดขึ้นกับร่างกายเท่านั้นมันไม่สามารถไปเกิดขึ้นกับใจที่อยู่อีกโลกหนึ่งได้ใจนี้อยู่อีกโลกอยู่โลกทิศ เราให้มีระเบิดนิวเคลียมันก็ไม่สามารถทำลายใจของเราได้เพราะใจของพวกเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่สิ่งที่ทำลายใจของเราก็คือความอยากนี่เองความคิดของเราเองที่ทำให้เราทุกข์กันมาไม่รู้มากน้อยเพียงไรแล้วจำนวนน้ําตาที่เราหลั่งออกมาเนี่ยถ้าเอามารวมกันแต่ละชาตินี่ มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเองคอ็คิดต้างไหมว่าเราร้องไห้กันขนาดไหนน้ำตานี่ร้องม า, มากกว่าน้ำที่มีอยู่ในมหาสมุทรเ อ, กอเกิดมาแต่ละครั้งนี้เคยเคยไม่ร้องไห้ไหมชานี้เคยไม่ร้องไห้ไหมร้องไห้กันทุกคนใช่ไหมนี่คือการเกิดเกิดมาเพื่อมาร้องไห้กันเพราะมันทุกข์มันถึงร้องไห้ คนที่เป็นมาเกิดนี่ไม่ต้องร้องไห้สบายเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์สาวกนี่ท่านไม่ต้องมาเกิดละท่านไม่ต้องร้องไห้ท่านยิ้มตลอดเวลาท่านสงบสบายเนี่ยเราต้องมาหยุดความคิดกันถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ท่าน เราจะคุหยลดความคิดได้ก็ต้องมีพุทธโธพุทธโธเรียกว่าสติการพุทธโธนี้เป็นการสร้างสติพุทธานุ ส, สติบางคนบางแห่งก็ก็สอนให้ใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก้าวเนอวางเนอยุบเดินเนอะก้าวเนาอันนี้ก็เป็นการดูร่างกายดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดิน กำลังยืนกำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวากำลังหยิบของขึ้นมาเดิมกำลังทำอะไรให้ดูอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ไปไปคิดเรื่องอื่นอย่าอย่าให้ไปที่อื่นถ้าคอยเฝ้าดูร่างกายมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดก็แสดงว่าไม่ได้ดูร่างกายแล้วก็เหมือนกับพุโทโธถ้าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าไม่ได้พุโทโธละ ถ้าพุโทโธนี่มันจะไปคิดไม่ได้ถ้ามันไปคิดก็ต้องดึงมันกลับมากลับมาหาพุโทโธ เ, เอาอย่างใดก็ได้เอาพุโทโธก็ได้เอาร่างกายเป็นที่ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเวลาว่างก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปถ้าดูร่างกายก็ดูลมหายใจไป หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปสั่งให้หายใจเล็กหายใจยาวไม่ต้องให้ปล่อยมันหายใจไปตามปกติเหมือนตอนนี้ตอนนี้มันหายใจอยู่ยังไงก็ปล่อยมันหายใจไปเพียงแต่ดูมันเท่านั้นเองเอาใจมาดูลมหายใจเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่คิดเดี๋ยวมันก็สงบ เวลามันจะสงบมันก็เหมือนก็ตกหลุมลงไปวุบลงไป<ม>แล้วก็สบายเบามีความสุขตอนนั้นมันก็หยุดหยุดพุทธโธได้หยุดดูลงได้เพราะไม่ต้องทำอะไรแล้วเหมือนลูกกราฟถ้าเราตีลงหลุมแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้ามันยังไม่ลงหลุมก็ต้องตีมันไปเรื่อยๆคนที่เขาตีกราฟเนี่ยเขามีหน้าที่ตีลู ก, กราฟให้มันลงหลุมเพ น, น พอมันลงหลุมแล้วก็ดูกลับมันก็ไม่ไปไหนแล้วไม่กิ่งไปไหนใจพอมันเข้าสมาธิปั๊บมันก็ไม่คิดแล้วมันก็ไม่อยากแล้วมันก็สบายมันก็เฉยมีความสุขตอนนั้นเราก็หยุดตีถ้ามันยังไม่สงบยังไม่ลงหลุมเราก็ต้องพุทโธไปเรื่อยตีมันไปเรื่อยๆตีให้มันลงหลุมพอมันตกหลุมปั๊บมันก็จะนิ่งจะสงบ วุบลงไปแล้วก็สบายมีความสุขถ้ามันลงหนุ่มจริงๆนี้มันจะร้องอ๋ออ๋อมันมันสุขอย่างนี้เองนะมันมาสัจจันอย่างนี้เองนะมันไม่ต้องถามใครเวลาจิตสงบจริงๆนี้มันไม่ต้องถามใครมันรู้เองเพราะมันไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนมันยกภูเขาออกจากอกวเวลาจิตสงบเนี่ยจิตจะเบาสบาย ตาไม่สงบนี่มันเครียดมันหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั่นเรื่องนี้กับคนนั่นคนนี้มันหนักเพราะมันไปคิดมันถึงหนักถ้าไม่คิดแต่มันไม่หนักอ่ะนี่คือปัญหาของพวกเราที่เราจะต้องแก้กันถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้มันก็จะยืดเยื้อไปเป็นน้านชาติแสนชาติเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย อย่างที่พระเจ้าบอกเนี่ยร้องไห้มาแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเนี่ยคิดดูจะร้องไห้ท้ ก, กี่ล้านชาติกันถึงจะได้มีน้ำมากกว่าน้ำในมหาสมุทรมันก็จะร้องไห้อย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปมันก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่ระหว่างทางระหว่างเวลาที่รอรับน่างกายอันใหม่ก็ไปนรกไปสวรรค์ใหม่ไปใช้บุญใช้บาปก่อน พอได้เวลาได้ร่างกายก็กลับมาได้ร่างกายใหม่แล้วก็มาทุกมาเคลียดกับร่างกายต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราม า, อ, า, อ, าอ่านหนังสือธรรมะกันหนังสือธรรมะจะสอนวิธีให้เราทําใจให้สงบกันเมื่อใจเราสงบแล้วเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ปัญหามันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การหยุดความคิดไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องมาร้องไห้อีกต่อไปไม่ต้องมามีร่างกายไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปเข้าสมาคมของพระพุทธเจ้า เป็นสมาชิกของพระพุทธเจ้าสมาคมของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกเนี่ยไปเป็นสมาชิกพระพุทธเจ้าสร้างสมุสรสร้างสมุสรไว้ตอนรับพวกเราสมุสร น, นี้ท่านตั้งชื่อว่านิพพานไปเป็นสมาชิกของสมุสร น, นิพพานนี้กันสมสร น, นี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เป็นบรมมสุข เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เรามีอยู่กันในขณะนี้เดี๋ยวมันก็ต้องหมดมีลาบยศสรรเสริญมีอะไรเดี๋ยวก็หมดเนี่ยเป็นราชามาหากาัต ร, ริย์เป็นประธานาธิปดีเป็นอะไรเดี๋ยวก็หมดเนี่ยไม่มีอะไรที่ถาวรในโลกนี้อยากจะได้ความสุขที่ถาวรต้องไปเป็นสมาชิกของพระนิพพานกันัน มีพระพุทธจเจ้าเป็นคนสร้างสมสร้างสมสรนั้นนี้ขึ<ๆ>้นมาก็พยายามกันนะเราจะจะได้ผลถ้าไม่พยายามก็จะไม่ได้ให้มีเชื่อความเชื่อว่าอันนี้แหละเป็นความจริงเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำกันต้องมาแก้กันไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำกันเอง การทำบุญนี้ก็เป็นการหยุดความอยากอย่างหนึ่งเพราะแทนที่จะเอาเงินไปทำตามความอยากไปซื้อของตามความอยากก็เอามาทำบุญกันแทนถ้าเราเอาเงินมาทำบุญทุกครั้งความอยากที่จะใช้เงินซื้อของอะไรต่างๆมันก็จะหมดไปมันก็จะซื้อแต่ของที่จำเป็นจริงๆของที่ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อเที่ยวก็ไม่เที่ยวแต่ที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปทาบุญดีกว่า ทำบุญเสร็จก็กลับบ้านอยู่บ้านเฉยๆได้มีความสุขไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยกับการไปเที่ยวกลับมาบ้านก็อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านไม่ติดอยากจะไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเลิกเที่ยวได้ต่อไปก็อยู่บ้านสบายมีความสุขกับการอยู่บ้านเนี่ยเริ่มต้นที่การทําบุญเริ่มต้นที่การใช้เงินทองหยุดความอยากต่างๆอย่าเาเงินทองไปใช้ตามความอยาก ถ้าจะเอางเงินทองไปใช้ตามความอยากเอามาทําเอาไปทําบุญให้หมดนะพอไม่มีเงินใช้ตามความอยากมันก็อยากไม่ได้แล้วความอยากมันก็จะหมดกําลังไปถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปเราก็ไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นต่างๆทําบุญแล้วก็มีความสุขสุขกว่าการได้ไปเที่ยวสุขกว่าการได้ซื้อของที่เราอยากได้ ซื้อของที่เราอยากได้มาก็สุขเดียวเดียวพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ของใหม่กระความสุขก็หายไปละแต่ถ้าเอาเงินมาทำบุญนี่มันจะไม่เกิดความอยากอยากอยากจะซื้อของใหม่อีกมันก็จะมีความสุขจากการทาบุญแล้วก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่ติดบ้านก็นั่นแหละก็ความอยากก็คือความโลภเนี่ยตัวเดียวกัน อารมณก็แปลความอยากได้นู่นอยากได้นี่เรียกว่าโลอเอานะคิดว่าเอาแค่นี้ก่อนญานุโมธนาให้พรยะทาวเรวะหาปุราปาริกปุเรนติสากะรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพบรเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาเมณิจุติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวา อภิวาทนาสีฤทธสะนิจังวุทาปจายโนยตารุธรรมวัทาติอายุวโนโอสุขังพลาง มันก็หลับสิถ้าไม่รู้สึกตัวอ่าไม่ใช่หลับแล้วมันจะเป็นอะไรนะมันไม่รู้สึกตัวเขาไม่รู้สึกตัวก็ไม่มีสติคนหลับมันรู้สึกตัวเปล่าตอนนี้คุณรู้สึกตัวเปล่าอ่าถนั่งถ้ามันมีสติมันก็จะรู้สึกตัวอย่างนี้มันนิ่งแต่มันจะรู้สึกว่ามันนิ่งแต่ถ้ามันนิ่งแล้วมันไม่รู้สึกก็แสดงว่ามันหลับเข้าใจอ่า เวลานิ่งมันสงบเรารู้เงี้ยแสดงว่าเราไม่หลับตอนนี้เราไม่นิ่งเราก็รู้ว่าไม่นิ่งพอเวลามันนิ่งเราก็รู้ว่ามันนิ่งแสดงว่าเรามีสติแต่ถ้ามันนั่งไปแล้วไม่รู้สึกตัวแสดงมันหลับเข้าใหญ่เอน็นต้องฝึกสติเยอะๆเพราะว่าเวลานั่งสมาธินี่พอสติมันอ่อนนี่มันจะหลับไปก่อนวิธีที่จะแก้ก็ไปนั่งที่มันน่ากลัวหน่อยนั่งในป่าช้าย่เงี้ยมันจะ มันจะมีสติมันจะไม่หลับเนีย่ยพระบาเทีต้องไปนั่งในป่าชา้าบางรูปท่านไปนั่งปากเหวถ้าสับปงห ก, ก็หัวทิ่มตกเหวไปเลยถ้ามันพร้อมมันมีความกลัวมันจะไม่ง่วงอะมันจะไม่หลับมันยังไม่เผลอก็คนขับรถยังหลับโดยไม่รู้สึกตัวอะไรนะ้ยเรียกหลับในไม่ได้หลับแบบนอนหลับแต่มันหลับในตามยังลืมอยู่แต่ ใจมันหลับไปซะนั่นแหละเรียกว่าหลับในนั่งสมาธิหลับในเพราะไม่มีสติสติมันหมดต้องหัดฝึกสติอย่างที่เมื่อกี้สอนนะเอาตั้งแต่เอาทั้งวันเลยยิ่งมียิ่งฝึกสติมากเท่าไหร่ต่อไปมันจะมันจะไม่เสื่อมันจะไม่เลวมันจะไม่หลับมันจะไม่ลอยใจมันชอบลอยลอยไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ ก็ฟุ้งสร้างขึ้นมาถ้าไม่ฟุ้งสร้างก็หลับเอ็งต้องฝึกสติให้ได้ก่อนถึงมานั่งถึงจะได้ผลดีถ้ามาเริ่มนั่งเลยโดยที่ไม่มีสตินั่งกี่ลายก็หลับทุกลายถ้าไม่หลับก็ฟุง้งมีสองอย่างนั่งเราก็คิดนู่นคิดนีด่นั่นงแล้วก็ไม่สงบถ้าไม่คิดก็หลับมีสองแต่ถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ฟุง้งแล้วมันจะไม่หลับ มันจะสงบเมื่อกี้อยากจะถามอะไรแล้วป่ะไม่มีเลยอ่ามีทาง YouTube มั้ยโทนี่ไม่ทำทางเฟซมีมั้ยมีค่ะอ่าตอนนี้กี่คนแล้วล่ะตอนนี้เหลือ282ค่ะอ๋อยูทูบมียี่สิ่ะิบเมื่อกี้ขึ้นไปถึงเท่าไหร่ล่ะ้อยหกสิบ Right, mm hmm. ้องถามจากคุณจงสินีหนูเคยไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเขาให้นั่งสมาธิหน้าลงศพคนเดียวเพื่อฝุดจิตตอนแรกก็กลัวๆแต่ท่องคำบริกรรมตลอดเวลาเวลาก็ผ่านไปได้หนูดีใจมากที่ผ่านแสดงว่าหนูเริ่มมีความสงบบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วมีสติใช่ไหมเราไม่นั่งที่เหมือนกลัว กลัวแล้วมันก็จะไม่ดับแล้วมันก็จะต้องมีพุทโธมันจะได้ไม่ฟุ้งถ้าไม่พุทโธเดียมันก็คิดแต่กลัวผีกลัวผีเดียมันก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เนี่ยกล้าคนใจกล้าๆต้งไปอยู่ที่หน้ากลัวอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้เราขยันพุทโธกันพอไปอยู่ที่ไหนเปียวๆพอได้ยินเสียงกุ๊กเก๊กเก๊กักนี่มันจะกลัวขึ้นมาพอมันกลัวมันก็ต้องพุทโธพุทโธอย่างเดียวมันถึงจะหายกลัว พออยู่กับพุทโธไปมันก็เล่าคิดมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องกุ๊กคิกกุ๊กคักนั่นมันก็เลยสงบมันก็เลยรู้ว่าอ๋อความกลัวเกิดจากความคิดของเรานี่เองเสียงมันก็เป็นเป็นตามเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มาทําอะไรเราหรอกใช่ไหมมันก็บางทีก็เป็นตุ๊กแกเป็นอะไรเป็นหนูมันวิ่งบนหลังคาก็ไปคิดว่าเป็นผีกันนะเนะ มันต้องไปหาที่เปรียวที่น่ากลัวอยู่มันถึงจะขยันพุทโธคนเราถ้ามันไม่มีภัยนี่มันไม่มันขี้เกียจนะมันไม่หาที่พึ่งกันพอมีภัยมีอันตรายนี่โอ้พุทโธถีบยิบเลยหรือสวดมนกันถี่ยิบเลยนะต้องไปหาที่น่ากลัวกันอยู่ถ้าอยากจะภาวนาอยางได้ผลรวดเร็วทันใจจิตสงบทันทีเลย แต่ต้องมีสติก่อนนะถ้าไปไม่มีสติสติแต่ก็โกยเลยมันสติมันควบคุมใจไม่อยู่ไม่มีสติมันควบคุมใจไม่อยู่ใจมันอยากจะหนีมันก็วิ่งเลยแหละแต่ถ้ามีสติก็บังคับให้มันนิ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็นิ่งพอมันนิ่งปั๊บมันก็หายกลัวต่อไปมันจะไม่กลัวอะไรละมันรู้ว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัวของเราเองนอกจากความคิดของเรานี่เอง พอเราหยุดความคิดได้แล้วอ๋อทีนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วถามว่าไหมคำถามจากคุณครับเทลความอยากผมก็ยังมีมากแต่ยังไม่เป็นความอยากที่ผมไม่เบียเดเบียนหามาด้วยสุจริตแต่ความกลัวเจ็บมากกว่าครับคือไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บครับเช่นถูกรถชนเสียชีวิตทําอย่างไรจึงจะลดความกลัวได้ครับ ก็ล้องมาหัดนั่งให้มันเจ็บแล้วฝึกนี่ใช่อยู่กับความเจ็บให้ได้จนเวลาเรานั่งไปสักพักเดียวมันจะเจ็บเราก็นั่งต่อไปเราอย่าลุกอย่าไปขยับล้วก็ใช้พุโทโธพุโทโธนี่ทำใจให้ให้นิ่งถ้าใจเราอยู่กับพุโทโธมันก็จะไม่เจ็บมากมันจะเจ็บแบบทนได้ที่มันทนไม่ได้เพราะไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่เป็นความเจ็บของใจความกลัวของใจ ความกลัวความเจ็บนี่มันทําให้เกิดความทรมานใจขึ้นมาเราต้องหยุดความกลัวนี้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธมันไม่มีเวลาไปคิดถึงความความกลัวความเจ็บมันก็ไม่กลัวมันก็อยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บก็เหมือนกับผีนี่แหละกลัวผีแล้วก็พุทโธพุทโธไปพออยู่กับพุทโธไปไม่คิดถึงผีความกลัวก็หายไปความเจ็บมาก็เหมือนกันความเจ็บมาก็เหมือนผีมา เอามันเจ็บแล้วก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บความกลัวความเจ็บมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้อยู่กับผีได้เพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอันตรายต่อจิตต่อใจตัวที่อันตรายต่อจิตตัวใจก็คือความกลัวความเนี่ยความอยากความอยากให้ผีหายไปความอยากให้ความเจ็บหายไปความอยากไม่เจ็บอะไรพวกเนี้ยอย่าให้มันมีปล่อยมันไป ไว้ให้มันเจ็บไปร่างกายมันไม่ช้าก็เร็วมันต้องเจ็บไปโดยธรรมชาติของมันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีเกิดมีดับมีมามีไปร่างกายนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปกลัวมันมันไม่มีอะไรน่ากลัวแสิ่งที่น่ากลัวก็คือความกลัวมันความอยากอ่าว่ามา ก, <ง>ก็เราไปดูมันอย่าไปดูมันในเวลาเจ็บให้อยู่กับพุโทโธไปไม่อยู่กับพุโทโธเลยถ้ามีพุโทโธแล้วมันจะรู้สึกไม่เจ็บเลยเจ็บแบบสบายเจ็บแบบทนได้คือความเจ็บก็ยังอยู่เราจะไม่ทรมานเวลาเราดูหนังเนี่ยปวดฉี่ยังนั่งดูได้ใช่เหมเออพอนั่งดูมันนาการปวดฉี่ก็ไม่ทรมานแต่ถ้าไม่ได้ดูหนังเนี่ยนั่งทนนั่งทนปวดฉี่ไม่ได้จะต้องลุกไปฉี่นะ แต่พอมีหนังดูมันเลยเพลินกับหนังมันเลยไม่อยากจะลุกเฮียอยากจะดูหนังมากกว่าอยากจะไปฉี่มันก็อยู่กับความเจ็บปวดของการปวดท้องได้แต่ว่ามีบางทีที่เวลานั่งอะค่ะมันเจ็บมากแล้วอพอทนได้ไปสักพักมันเราไม่พุโทโธถ้าพุโทโธเราทนได้พุโทโธไปนั้นจิตมันจะรวมยิ่ง <c oughs> พอรวมแล้วมันยิ่งไม่เจ็บใหญ่เลยไม่มันไม่รับรู้ความเจ็บเลย ค่ะเพราะว่ามีบางครั้งที่เหมือนเจ็บเจ็บจนหายเจ็บอ่านั่น่ะถ้าเรามีพุโทโธนี่มันจะหายเร็วกว่ า, ว า, าอ่าใช่เพราะมันใจเรามันอยากเนี่ยอยากให้มันหายยิ่งอยากมันก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งเจ็บใหญ่คําถามจากคุณสุรจิต พอถามเกี่ยวกับสิแปข้อที่หนึ่งถ้าใจยาถือสินแปลสามีสามารถโดนตัวได้หรือไม่เช่นต้องประคองหรือพาสามีเข้าห้องน้ําคือถ้ามันมีเหตุจําเป็นก็ยังได้ที่เขาไม่ให้แตะตัแตะเนื้อต้องตัวกันเข้ากลัวเดี๋ยวจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทัานเองเหมือนกับน้ํามันกับไฟนี่ยเขาไม่อยากให้มันอยู่ใกล้กันถ้ามันอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันลุกขึ้นเป็นไฟขึ้นมาได้งั้น แต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องดูแลกันก็จะ ก, ก, ก็ทำไปแต่ต้องคอยควบคุมอารมณ์ไว้ให้อยู่นั่นเองถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวสินข้อ น, นี้ก็ขาดไปพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนแต่ถ้าไม่ได้ทางที่ดีอย่าไปเห็นหน้ากันเลยได้ยิ่งดีถ้าถือสินแปดอยู่กันคนละบ้านอยู่กันคนละที่ได้ยิ่งดีคนหนึ่งอยู่บ้านคนมาอยู่วัดอย่างนี้ อย่างนี้รับรองได้ว่ารักษาได้ง่ายกว่าแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์วเหงาเกิดอารมณ์ว่าวเวขึ้นมาพอไปตัดเนื้อต้องตัวกันขึ้นมาเดี๋ยวมันยับยั้งหักข้ามจิตใจไม่ได้แต่ถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องประครับประครองเลี้ยงดูกันไปก็ต้องระมัดระวังแล้วถ้าขาดก็ต้องยอมรับว่าเออเรายังรักษาข้อ น, นี้ไม่ได้ก็แล้วกันทํำยังไง มันมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลกันถ้าไม่ได้ก็เอาข้อ น, นี้ก็เว้นไปก่อนข้อที่สองทานอาหารใกล้เวลาเที่ยงถ้าเลยเวลาเที่ยงวันต้องหยุดรับประทานใช่หรือไม่คะถ้าอยากจะเข่งจริงๆก็ต้องหยุดแต่ถ้ามันมีเหตุผลเช่นเราทำงานแล้วมันเวลากินมันต้องหลังเที่ยงไปแล้วก็ถึงจะให้กินนี่ก็เราก็ เราก็ปรับมันหน่อยปรับเวลากินหน่อยจาก เ, าเที่ยงก็ถึงบ่ายโมงแทนเมันก็เหมือนกันก็ผลก็คือเหมือนกันก็คือการกินอาหารเท่าเดิมคือไม่กินมากไปกว่านั้นไม่กินหลังจากมื้อเที่ยงไปแล้วมื้อเที่ยงอาจจะสายหน่อยเพราะเวลาทางานเวลาหยุดทำงานนี่มันมันตรงกับเที่ยงมันก็เลยต้องต้องกินตอนเที่ยงมันก็เลยเวลามาหน่อยอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าจะพูดตามตัวอักษรมันก็มัน ก, มนก็มันก็ไม่ถูกตามตัวอักษรก็ต้องกินต้องกินก่อนเที่ยงวันหลังเที่ยงวันแล้วก็ไม่กินแต่ถ้าเรามาดูตามเหตุผลมันก็เปลี่ยนเวลาจากเที่ยงมาเป็นบ่ายโมงนั่นเองเรื่องของการไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงก็คือไม่อยากให้กินมากไม่อยากให้มาเสพความสุขทางทางอาหารกัน ให้เอาเวลาที่จะมากินอาหารนี่มานั่งสมาธิกันดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามารับประทานอาหารกันมันก็จะนั่งสมาธิไม่ได้มานั่งแล้วมันจะงับมันจะหลับมันจะสับประงกเพราะมันกินพอมันอิ่มแล้วมันง่วงมันอยากจะนอนมากกว่าก็เลยให้ให้กินน้อยๆให้กินแค่เที่ยงวันก็พอให้กินเพื่ออยู่ไม่ให้กินเพื่อหาความสุขจากการกินแต่ถ้ามีความจาเป็น เราไปทํางานแล้วเราอยากจะเรายังอยากจะรักษาศีลเข้านี้อยู่ก็เลื่อนเวลาไปแค่ชั่วโมงหนึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาเลยเดี๋ยวฮะอ่าไปเลยกลับบ้านเลยแล้วกลับไปปฏิบัติ อ, อ่าที่มาอยู่ปฏิบัติที่นี่มาเยี่ยมขเขาหรอครับมาแล้วเจอพี่เขาอ่ามาเจอรู้จักกันนะ อ่าไม่รู้จักอ ม, ม่รู้ันี่ค่อ่ะข้อต่อไปอางครจะไปก็ได้อยู่ก็ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับอะไรอ่าท น, นี้อ่เปิดเสรีคำถามจากคุณสุวรรณนาเวลานั่งสมาธิและเดินจงกรมจะดูลมหายใจ ถ้าเวลาทําภารกิจประจําวันเช่นกินข้าวแต่งตัวทํางานบ้านจะดูลมหายใจหรือนึกถึงพุทโธเจ้าคะแล้วแต่ไหนที่เราดูได้เราใช้ได้ก็ใช้อย่างนั้นเป้าหมายก็คือไม่ให้เราคิดเรื่องราวต่างๆจะดูร่างกายที่กําลังทํางานอยู่ก็ได้จะดูลมหายใจก็ได้หรือจะพุทโธก็ได้ คำถามจากคุณดาราดาคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมองไม่เห็นข้อบกพร่องที่นําความทุกข์ผิดหวังเสียใจให้แก่ตนเองถ้าเขาเป็นคนที่เรารักและปรารถนาดีเราควรจะช่วยเขาอย่างไรดีเจ้าคะก็แล้วแต่เขาจะให้เราช่วยหรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้เราช่วยเราก็ช่วยเขาไม่ได้ถ้าไปช่วยเขาเดียวเขาก็ว่าเราไปยุ่งกับชีวิตเขาทำไม ใชเราบางทีก็ไม่อยากให้ใครมาช่วยเราใช่ไหมออ่างมันอยู่ที่ผู้ที่เดือดร้อนว่าเขาต้องการความช่วยหรื อ, รอไม่ถ้าไม่มีความต้องการก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้คําถามจากคุณซีนีนาตรักษาศีลแปดสมผลให้การนั่งสมาธิได้ดีขึ้นจริงไหมคะจริงเพราะว่ามันจะกแก้ปัญหาหลายอย่าง หนมันจะได้มีเวลามานั่งกันถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็นั่งดูทีวีเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงไปงานไปท่องเที่ยวตามหนังบันเทิงต่างๆมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสองถ้ากินมากๆมันก็ง่วงมันก็ไม่อยากจะนั่งมันอยากจะนอนเะฉนั้นถือศีลแปดนี่มันจะทำให้เรามีเวลาแทนที่จะไปนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้ เ, เวลาที่ไปนอนกับแฟนมานั่งสมาธิได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งแต่งเนื้อแต่งตัวะแต่งหน้าตาปากทำเผ้าทำผมเสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวกันออกไปเที่ยวกันเสร็จกลับมาก็เหนื่อยก็นอนกันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันคํถาถามจากคุณพิมพรเมื่อก่อนนี้หนูไม่ได้ทําบุญมากแต่เดี๋ยวนี้หนูเข้าวัดทําบุญบ่อย จิตของหนูก็สงบและมีความสุขมากค่ะถามเจ้าค่ะเวลาจะคิดหนูจะไม่เคยคิดเรื่องอื่นแต่จะคิดนถึงแต่คำสอนของพระอาจารย์แต่หนูไม่ได้ท่องคำว่าพุโทโธได้ไหมคะก็คือไม่อยากจะให้คิดนะ่ถ้าคิดมันก็จะทำให้ใจไม่สงบงนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเวลาปฏิบัตินี่ต้องอยากคิด แต่เวลาไม่ปฏิบัติก็คิดได้คิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆไว้เป็นปัญญาเพื่อสอนใจเตือนใจให้คิดดีพูดดีทำดีก็ได้แต่ถึงเวลาปฏิบัติจริ ง, รงๆเราต้องการจะทำใจให้สงบเวลาจะเจริญสตินี่ไม่ไม่ให้คิดให้อยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวอันนเราต้องเราต้องรู้ว่าตอนนี้เรากาลังทาอะไรเรากาลังเจริญสติหรือว่าเรากาลัง ศึกษาคำสอนของครูบาอาจารย์ถ้าเราศึกษาคำสอนก็คิดถึงคำสอนของครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยเพื่อเพื่อเราจะได้ไม่ลืมแต่ถ้าเราอยู่ในขั้นที่เรากำลังจเจริญสติตอนนั้นเราก็ต้องไม่ไปคิดถึงคำสอนของครูบาอาจารย์พักไว้ก่อนไม่ได้โยนทิ้งเพียงแต่ว่าไม่ใช่เวลาจะคิดเวลาที่จ ะ, จะเจริญสตินี้ต้องคิดแต่คาว่าพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวเพื่อจะได้หยุดความคิดต่าง พอถ้าไม่หยุดความคิดต่างๆใจมันจะไม่สงบเราจะไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะมีคำสอนของครูบาอาจารย์ก็จะทำตามไม่ได้เพราะคำสอนของครูบาอาจารย์จะสอนให้พวกเราปล่อยวางทุกอย่างการที่เราจะปล่อยวางได้เราต้องมีความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนดังนั้นขั้นต้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนเมื่อใจเรามีความสงบมีความสุขแล้วเราก็คาสอนของครูบาอาจารย์มาใช้สอนให้เราปล่อยวางทุกอย่าง ถ้าเรามีความสุขแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างได้เพราะเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแล้วขคำถามจากคุณพิกทําไมเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกเคว้งรู้สึกกลัวครับพยายามมาหลายครั้งแล้วมันก็เป็นเรื่องของใจของเราเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วพอนั่งอยู่ในที่เงียบๆมันก็จะเกิดอาการวังเวงก็เกิดความกลัวขึ้นมา แต่เราอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป oh. แล้วอาการกลัวมันจะหายไปแต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธเราเดี๋ยวก็จะคิดกลัวขึ้นมาคําถามจากคุณออยคําว่าอรหรันตมรกับอรหันตผลแตกต่างกันอย่างไรคะอ๋อก็เหมือนกับเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเวลาเราทําบริญญาตรีนี่ก็เรียวกว่ามรก เวลาเราได้รับปริญญาก็เรียกว่าผลมันมีอยู่4ระดับโสดาปฏิมักเสวุบดาปฏิผลอตอนนั้นเราก็เรียนขั้นระดับปริญญาตรีพอเราเรียนระดับปริญญาโทมันก็ขึ้นไปกระดับนี่มันต้องเรียนก่อนแล้วถึงไปสอบพอสอบได้มันก็มันก็ได้ผลช่วงที่เรียนช่วงช่วยสอบนี่เรียกว่ามักช่วงที่ได้รับผลเรียกว่าผลได้รับปริญญา หมดแล้วได้มีเวลาพักกินน้ำประดมีคำถามนะคะขณะ ท, ที่นั่งสมาธินะคะบางครั้งจะรู้สึกว่ามีจุดถ่วงตรงกลางกระหมอ่อมไม่น่าไปสนใจดูลมหายใจอย่างเดียวมันกิเลสมันจะสร้างปัญหามาหลอกเราอยู่ย้วย คือไม่ต้องไปจับอยู่ที่กลางกระมังใช่ไหมไม่ไม่อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจหรือไม่ก็ต้องพุทธอ่าใช่อ่อยู่กันนั้นไปอย่างนี้ไม่ว่าเราจะเกิดรูปเสียงกลิ่นรสมาเพื่ะปรากฏให้เรารับรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับลมไปอะไรก็แล้วคำถามเดียวค่ะถามมาคำถามจากคุณโอภาสพุทธโธทำให้เกิดธรรญาอย่างไรครับ ไม่เกิดพุทโธทําให้เกิดสตินะฟังไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> พุทโธนี้เพื่อให้มีสตินะปัญญาต้องคิดต้องพิจารณาตายรักพิจารณาณิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเกิดปัญญาพิจารณาอริยสัจสี่บอ่อเกิดของปัญญาคือตายรักกับอริยสัจสี่นะบอ่อเกิดของสติก็คือพุทโธพุทโธ ถามจากคุณหมูอ้วนหนูเคยนั่งสมาธิที่ไปปฏิบัติธรรมมาค่ะแต่ในขณะที่นั่งไปนานๆเหมือนตัวเราเบาเหมือนลอยอยู่ในอากาศเพราะอะไรคะนั่นแหละเวลาจิตสงบมันจะเบ า, ม, เบามันจะลอยความรู้สึกแต่ร่างกายมันก็เหมือนเดิมร่างกายมันลอยไม่ได้แต่ใจมันลอยเพราะใจมันปล่อยวางมันไม่หนัก อ, อกหนักใจเหมือนตอนที่มันไม่สงบ ถ้าไม่เสงบนี่มันเอาเรื่องต่างๆมาแบกมันก็เลยหนักพอเราหยุดแบกมันปั๊บเราก็รู้สึกเบามันยกภูเขาออกจากอกอเวลานั่งสมาธิจิตสงบจะมีความสุขมากเราจะไม่อยากมีอะไรเพราะมีอะไรมันดีขนาดนั้นมันก็ยังทําว่าเราหนักอกหนั ก, นกใจอยู่นั่นใช่ไหมมีเงินร้อยล้านพันล้านนี่หนักอกหนักใจกันไหมฮะบางก็ต้องวิตกกังวลประมาณนั้น ต้องดูแลรักษามันแต่ไม่มีอะไรเนี่ยดีที่สุดเบา อ, อกเบาใจตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีไปไปแบกมันทำไมเอาสมาธิดีกว่าเอาความสงบดีกว่าคำถามจากคุณนารยาพระอาจารย์บอกว่าจิตเราอยู่ในโลกทิพย์แสดงว่าจิตเราไม่มีวันหลักจิตเราตื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ หลับเพราะมันไม่มีสติแต่ถ้าไม่ถ้ามีสติมันก็จะตื่นตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระลานี่ท่านมีสติตลอดเวลาท่านก็เลยตื่นตลอดไปวาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่ใจของพวกเราไม่มีสติมีก็มีบางครัง้งบางคราวส่วนใหญ่ก็จะไม่มีกันก็หลับหลับลุกฝันกันเนี่ยเราฝันความหลงเนี่ยเป็นความฝันฝันไปคิดถึงเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็เหมือนกําลังฝันไปคนที่ตื่นก็ไม่ฝันใช่ไหมคนที่ตื่นก็ไม่ฝันคนที่มีสติเขาไม่คิดเพอ้อเจอ้อก็ไม่คิดเพอ้อฝันอะไรเขาอยู่กับความจริงข้อ ถ, ถามจากคุณล้อนิพานคืออะไรครับเป็นเหมือนสวรรค์หรือเปล่าครับก็แล้วแหละเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่มีแต่ความสุขร้อเเซ็ไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความเสือ่อม สวรรค์ชั้นอื่นนี่ยังมีความทุกข์อยู่เพราะมันยังเสื่อมอยู่สวรรค์ชั้นพรมก็ต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ก็เหมือนกับเลื่อนลงอยู่จากโรงแรม5้าดาวมาอยู่โรงแรม3ดาวอย่างเงี้ยสวรรค์ชั้นพรมเหมือนโรงแรม5ดาวแต้พอเงินหมดก็เลยต้องเลื่อนลงมาอยู่โรงแรม2ดาวจากสองดาวก็มาอยู่อยู่โรงแรมดาวเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย สวรรค์ชั้นต่างๆนี้มันยังขึ้นขึ้ น, นลงลงอยู่แต่ถ้าไปถึงสวรรค์ชั้นนิพานนี่มันจะไม่ขึ้นไม่ลงแล้วมันสูงสุดแล้วแล้วมันไม่ลงมันจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดคำถามจากคุณอนุชาเวลาทํางานแล้วชอบไปคิดถึงเรื่องที่เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานเราจะมีวิธีดึงสติกลับมาไหมครับก็ใช้พุทโธดึงมาครับ ท้ายพุโทโธหนึ่งกลับมาคำถามจากคุณสุรจิตคำว่าจิตรวมเป็นหนึ่งผมไม่เข้าใจว่าจิตรวมกับอะไรครับจิตรวมก็จิตเงี้ยเวลาจิตไม่รวมมัจิตมันไปกระจายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยตอนนี้จิตของพวกเรากระจายกระจายไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายมันเลยไม่รวม มันเลยไม่มีความสงบเลยไม่มีความสุขพอเราใช้สติดึงมันเข้ามาสู่จุดจุดรวมมันก็จะรวมคือต้องดึงออกจากตาหูจมูกเล่นกายเนเวลานั่งสมาธิเราต้องปิดตาปิดหูไม่ไปรับรู้อะไรต่างๆแล้วให้พุทโธดึงจิตเข้ามาพอมันดึงเข้ามามันก็เหมือนกับดึงจิตเข้าไปในหลุมเงี้ยเหมือนตีกอล์ฟอย่างเงี้ยพอมันพอมันรวมกันปั๊บมันก็สงบมันก็มีความสุขขึ้นมา ถามจากคุณสังวรศรีคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแต่ให้ให้ถึงความไม่มีตัวเราเป็นอนัตตาแล้วการที่เรามานั่งสมาธิและตามดูจิตแสดงว่ายังมีตัวตนที่มาเช่นนี้แล้วจะขัดกับคําสอนไหมคะอ๋อไม่ขัดหรอกเพราะว่าความจริงมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วเพียงแต่เราไปคิดว่ามันมีตัวตนเท่านั้นเองพอเรามานั่งสมาธิพอหยุดความคิด ความตัวตนมันก็หายไปตัวตนนี้มันเกิดจากความคิดพอเราคิดว่าเป็นเราก็เป็นเราขึ้นมาพอเราหยุดคิดควาว่าเรามันก็หายไปที่มานั่งสมาธิเพื่อหยุดตัวตนพอจิตสงบหยุดความคิดปั๊บตัวตนก็จะหายไปมันมันมากับความคิดไงพอความคิดหายไปตัวตนก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวจิตตัวจิตนี่เป็นตัวรู้ แต่พอมันคิดมันก็คิดไปในทางเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเท่านั้นเองพอเราหยุดความคิดตัวตนมันก็หายไปคาถามจากคุณทิพรวรรณเวลาเหนื่อยมาบางวันไม่ได้สวดมนต์เหมือนจะมีคนปลูกบอ ก, บอกว่าบอกว่าทำไมไม่สวดมนต์ให้เขามันเป็นอะไรเจ้าคะใจเราคิดขึ้นมาเองใจเราคงจะเตือนว่า เ, ออเคยสวดทาไมวันนี้ไม่สวดพอเคยทาอะไรแล้วมันจะมาเตือน เคยดูละครเนี่ยมันก็มาเตืนอนวันทามันนี้ไม่ดูละครถึงเวลาแล้วถึงจะมาอะไรอ่าพอเราเคยทําอะไรแล้วมันจะมามันจะมาเตือนเรามันจะเป็นนิสัยขึ้นมาเอ็นพยายามปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้แล้วต่อไปมันจะมาเตือนเราเช่นทำบุญเนี่ยใช่ไหมพอถึงเดือนก็มาทําเนี่ยมันก็เตือนเรานี่ใต้เวลาเดือนถึงแล้วต้องมาทําแล้วนะอมันก็มาพอมันเคยทําอะไรแล้วมันจะเริ่มเป็นนิสัย ข, ขึ้นมา แล้วยิ่งทําไปบ่อยๆทําไปนานเข้ามันก็จะฝังลึกกลายเป็นสันดานไปสันดานที่ดีเราก็เรียกบารามีบุญบารามีไปเราทําบุญบ่อยๆตอนต้นมันก็เป็นนิสัยก่อนพอต่อไปก็กลายเป็นสันดานพอสันดานนั้นนี่เลิกไม่ได้แล้วไม่มีใครมาเลิกเราได้แล้วเราจะทําของเราอยู่เรื่อยๆใครจะมาห้ามใครจะมาว่าอะไรเราก็ไม่สนนะแต่ถ้ายังไม่เป็นสันดานนี่บางทียังอาจจะช่งักได้นะ คนมาเตือนมาว่ามาพูดอะไรอาจจะทําให้เปลี่ยนใจได้คําถามจากคุณธารามีหลักในการพิจารณาจิตในจิตอย่างไรครับอ๋อมันไกลเกินไปนะก็ให้มาพิจารณาของภายนอกก่อนตอนนี้จิตมันไม่ได้อยู่ในจิตจิตตอนนี้มันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสให้มาพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสก่อนให้ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสให้ได้ก่อนมันถึงจะเข้าไปข้างในจิตได้ ลองพิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดก็อยากจะได้ใหม่พอไม่ได้ก็ทุกข์ให้คิดอย่างนี้ก่อนมันเป็นเหมือนยาเสพติดรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นเหมือนยาเสพติดอย่าไปเสพมันถ้าไม่เสพมันแล้วต่อไปก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมีมันจะมีหรือไม่มีเราก็จะไม่เดือดร้อน แล้วจิตมันก็จะเข้าไปข้างในพอมันปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในมันก็จะมีตัวอื่นที่ยังยังไม่ตายยังมีตัวความโลภความอยากความโกรธอยู่ในจิตก็ต้องนั้นต้องไปหยุดมันในนั้นเวลาโกรธใครก็ต้องหยุดมันเวลาโลภอะไรก็ต้องหยุดมันเพราะมันยังไม่ตายความโลภความโกรธความหนงมันยังไม่ตายมันตายจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันยังมีความรูป โลภโกรดต้องอยู่กับอารมณ์ต่างๆอยู่ยังอยากให้ใจสงบยังอยากให้ใจมีความสุขอยู่พอวันไหนเครียดวันไหนฟุ้งซ่านก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนั้นก็ต้องสอนใจดูจิตให้มันอย่าฟุ้งซ่านอย่าให้มันเครียดให้มันนิ่งให้มันสงบก่อนจะดูจิตได้ต้องต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆก่อนจิตต้องเข้าข้างในก่อนจิตต้องมีสมาธิก่อน ถ้าจิตยังไม่มีสมาธิยังดูมองไม่เห็นจิตมันจะเห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรส ด, ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำอะไรไม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณแรมหนูสวดมนต์เกือบทุกวันแต่ว่าวันพระทำไมถึงเจ็บท้ายทอยก็ไม่รู้เหมือนขนลุกเป็นไรเจ้าคะ มันไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันจะไปเจมันเป็นทุกวันพระหรือเปล่าเอออมาพูดนี้หมอฟังก็มันงงก็สังเกตดูมันเป็นเฉพาะวันพระหรือยังไงวันอื่นไม่เป็นนรือยังไงเอามาพูดดายลียให้ฟังก่อนแล้วมันเป็นมันมันเป็นเพราะเราไปทํำลายมันหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่าเรามาสวนมันอย่างเดียวหรือเปล่าพอเราไม่สวนมันไม่เป็นหรือเปล่า ถ้ามันเป็นเพราะเวลาเราสวดมันอย่างเดียวก็อยายกยาไปสนใจมันเป็นกิเลสพูดง่ายๆคือมันไม่อยากให้เราสวดพอจะสวดมันก็มีปัญหาขึ้นมาก็ได้กิเลสสมานก็อยากไปสนใจแล้วก็สวดของเราไปแต่ถ้ามันเป็นเพราะสวดก็ไม่สวดมันก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องไปหาหมออ <c oughs> งถามจากคุณดาราวิญ ญ, ญาณกับจิตเหมือนกันไหมคะ เหมือนกันเน่ยเวลาที่อยู่ร่างกายเราก็เรียกว่าจิตพอไม่มีร่างกายเราก็เรียกวิญญาณวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็วิญญาณที่ไปเกิดใหม่แล้วก็มีวิญญาณอีกตัวนึงวิญญาณที่ส่งกระแสมาเกาะติดอยู่กับร่างกายเกาะติดกับตาหูจมูกนิ้วมือมันก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันวิญญาณทางตาก็เรียกว่าัชคุวิญญาณวิญญาณทางหูก็เรียกว่าโสตาวิญญาณ ไอ้ตัวนี้คือตัวตัวมารับรูปเสียงกลิ่นรสก็ใช้ชื่อว่าวิญญาณเหมือนกันแต่มันต่างจากตัวจิตมันเป็นตัวลูกน้องของจิตมันเป็นอาการของจิตตัวจิตเองเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อมันว่าเป็นดวงวิญญาณไปในดวงวิญญาณนั้นก็มีไอ้ไอ้วิญญาณทั้งหนี้อยู่ไอ้วิญญาณทั้งห้าอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ทํางานตอนนั้นมันไม่มีร่างกายมันต้องรอให้มีร่างกายก่อน พอได้ร่างกายมามันก็จะส่งให้วิญญาณทาห้านี้มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายังนั้นคำว่าวิญญาณคำว่าจิตนี้เป็นตัวเดียวกันเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณแต่ดวงจิตดวงใจนี้ก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ที่โลกทิพย์มันรอให้เวลามีร่างกายมันก็เลยจะ ส่งวิญญาณไปเกาะที่ร่างกายถ้าร่างกายอยู่อเมริกาก็อยู่มันก็คิดว่ามันอยู่อเมริกาถ้าร่างกายอยู่ที่เมืองไทยก็คิดว่ามันอยู่ที่เมืองไทยแต่จิตก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่โลกที่จิตไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนจิตอยู่กับที่อยู่ก็ดวงวิญญาณนี้มี power มั้ยเจ้ามีก็สามารถติดต่อกับใครก็ได้ถ้ามี power อยากต้องฝึกไงต้องสร้าง power ขึ้นมา เนพระพุทธเจ้านี่ดวงวิญญาณดวงจิตของพุทธเจ้านี้ติดต่อกับเทวดาได้แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเล่นลึกชาติได้สามารถที่จะอ่านความคิดของคนอื่นได้สามารถติดต่อกับร่างทิพย์กายทิพย์ได้สามารถเหาะเหินเดินอากาศดำดินได้แปลงร่างได้ทำอะไรต่างๆได้ แต่ของพวกนี้มันไม่สำคัญมันไม่มันไม่สามารถมาดับความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ อ, อ, อิทธิฤทธิ์ต่างๆแต่ให้ความสำคัญกับการมีปัญญามีสมาธิเพราะสมาธิกับปัญญานี้จะมาฆ่ากิเลสได้อิทธิฤทธิ์นี้ฆ่ากิเลสไม่ได้อิทธิฤทธิ์ถ้ามีก็จะกลายเป็นลูกน้องของกิเลสไป คนที่มีกิเลสก็จะเอาอิทธิฤทธิ์ไปใช้ทางกิเลสเช่นคนที่ดูหมอนี่ก็ดูทางในนี่เขาก็เป็นเป็นาธาตุของกิเลสไปกิเลสให้เอามาทำรรมาหากินเป็นเครื่องมือทำมาหากินเรื่องปากเลี้ยงท้องไปหาเงินหาทองสิ่งที่จะฆ่ากิเลสได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าเน้นตรงนี้เน้ในในพวกเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญากันส่วน พลังจิตนี้มันจะมีไม่มีไม่สำคัญถ้ามีสติมีศีลสมาธิปัญญามันจะมีพลังจิตฆ่ากิเลสได้ถึงแม้มันจะไม่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรมันก็มไม่สำคัญมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แก้ท่ากิเลสไม่ได้ต้องมีพลังจิตทางศีลสมาธิปัญญามไม่หรือยงังไมาค่ะถาว่ามาคำถามจากคุณฉลองรับ พี่ฉันสวดมนต์อยู่กับบ้านสวดจบแล้วกวดน้ำแห้งแล้วจะถึงผู้รับได้หรือเปล่าคะเอาเลยไปกวดแล้วมันไม่มีบุญเนะอยจะกวดด้มันก็ต้องมีบุญกวดเนะวลาสวดมนต์นี่มันยังไม่อาจจะการสวดนี่ไม่ไหนมาครับว่าจะได้บุญนะพอสวดแล้วถ้าจิตมันยังไม่สงบมันก็ยังไม่ได้ผลเนหะมือนปลูกต้นไม้วันนี้มันออกดอกออกผลหรือยังมันยังไม่ออกใช่ไหมเจ้า ปลกก็ต้องพ อ, อปลูกแล้วก็ตขยนันตดน้าพรวนดินไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งมันออกดอกออกผลขึ้นมาถึงจะเอาดอกผล น, นี้ไปแจกคนอื่นได้การสวดมนต์ของเรานี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้บุญทันทีนะสวดไปนี้มันยังฟุงสร้างอยู่ก็มีใช่ไหมฝูดก็ยังคิดเรื่องเนื้อเรื่องนี้อยู่อย่างนั้นนนั้ยังไม่มีบุญบุญยังไม่เกิดจากการสวดบุญจะเกิดจากการสวดเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมา ถ้ามันสงบเป็นสมาธิเราก็สามารถอุทิศบุญที่เราได้จากการสวดวันนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงลับไปได้แต่ถ้าเราทําบุญวันนี้ยมันเกิดจะมันเกิดบุญขึ้นมาแล้วยทําบุญเอาเงินมาถวายพระเอาเงินมาซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระนี่มันเกิดบุญขึ้นมาแล้วเเขาถึงนิยมทําบุญด้วย ก, ว ด, กวดน้ำกดอุทิศบุญด้วยการมาทําบุญกันเพราะมันเกิดผลทันทีนะ แต่ถ้าจะมาวังผลจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธินี่มันต้องรอให้บรรลุได้ผลก่อนทนายสามารถแบ่งผลนะั้นให้แก่ผู้อื่นได้จึงเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้เนะี่ยการสวดมนต์การนั่งสมาธิของพวกเรานี่เหมือนกับพึ่งมาปลูกต้นไม้วันนี้แล้วเราจะเอาดอกผลไปที่ไหนเอาที่ไหนไปให้คนอื่นเขาเมื่อมันยังไม่มีดอกผลนะเหมือนกับเราฝากเงินธนาคารวันนี้แล้วเราก็จะเอาดอกเบี้ย ว, วันนี้เลยนะใช่ไหมเราก็ต้องรอปีหน้าเลย ปีหน้าเขาจะ็่อยมามาเบิกเอาดอกไปได้เนี่ยที่เราเอาที่เราอุทิศบุญก็เนีเราเอาดอกผลที่เราได้จากการนั่งสมาธิจากการที่เราสวดวันนี้ไปอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ดอกไม่ไม่ได้ดอกได้ผลเราจะมีอะไรไปอุทิศให้เขาดังนั้นวิธีที่อยากจะอุทิศให้มันรวดเร็วจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากก็คือไปทําบุญดีกว่าได้ผลทันทีพอคุณทําบุญปั๊บใจคุณก็ได้บุญขึ้นมาทันที นีบุญเนี่ยเอาไปอุทิศได้ทันทีเพราะถึงนิยมใช้การทําบุญทําทานเพื่ออุทิศกันเพราะปกติญาโยไม่มีวันหรอกที่จะนั่งสมาธิแล้วได้ดอกได้ผลทันทีขนาดพระนี่บวชกันหลายปียังไม่ได้เลยแล้วโยมจะมานั่งสวดมนต์แล้วจะมาอุทิศบุญจากการสวดมนต์นี้มันไม่ได้หรอกอยากที้เนียวเลยยอมเสียเงินดีกว่ายอมเสียเงินแค่ไหนทาบุญแล้วก็ <Spanish execution> พวกขี้เหียวทั้งหลายน like, ี่ชอบจะอุทิศบุญด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธินี่ยก็พวกกิเลสเองอะกิเลสมันหลอกกิเลสมันหลอกให้หวงเงินหวงทองเอาเงินไปเที่ยวเด็กะถ้าอยากจะอุทิศบุญก็มานั่งสวดมนต์แล้วก็อุทิศให้เขามันยังไม่ได้บุญหรอกนะแล้วถ้าสวดมนต์แล้วปึ้งปิติกับพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ก็ได้กับตัวเราไงเราก็ได้ความสุขในตัวเราคำถามจากคุณสงวนสีสัญญาสัญญาเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและดับไปพร้อมจิตทุกขณะแต่สะสมไว้ในจิตแต่ทำในเวลาจุดติจิตท ำ, ทำกิดเคลื่อนย้ายจากรูปกายนี้แล้วมันถึงทา ทำให้จำอะไรไม่ได้ในพบใหม่อย่าว่าแต่พมใหม่เลยเมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ความจำมันเกิดแล้วก็ดับเมื่อวานนี้กินอะไรจำได้มา่าะั้นสัญญามันก็อันนี้จาไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับคำถามจากคุณกรณัตขอพระอาจารย์อธิบายถึงการนับถือพ่อแม่เป็นพระอรหรันต์ การบวชทดแทนบุญคุณคือพ่อแม่เนี่เป็นบุคคลที่มีคุณบุญคุณกับเรามากที่สุดคนทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครมีบุญคุณเท่ากับพ่อกับแม่เรายกเว้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านทำประโยชน์ให้กับเราได้มากกว่าพ่อแม่ทำให้กับเราคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พ่อแม่นี้ทาให้เรามีร่างกาย เพื่อให้เรามาทําอะไรต่างๆที่เราอยากจะทํากันได้เั้นบุญคุณท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าการได้ทดแทนบุญคุณกับพ่อแม่นี่เหมือนกับได้ทดแทนบุญคุณกับพระอรหัเพราะลองจากพระอราันต์พระพุทธเจ้าก็มีพ่อแม่ของเราเนี่ยที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดเห็นการได้ทดแทนบุญคุณกับพ่อแม่ก็ถือว่าได้บุญมากที่สุดการตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเราเนี่มันจะเป็นจุด ทำให้เราเป็นคนดีได้ทำความดีได้ถ้าเราไม่มีความกตัญญูกับคนที่เป็นพ่อกับแม่กับคนที่มีบุญคุณแล้วกับคนอื่นที่ก็ไม่มีบุญคุณเราจะไปมีความกตัญญูกับเขาเลยแล้วคนอื่นที่เขารู้ว่าเราไม่มีความกตัญญูเ้าอยากจะมายุ่งกับเราหรือเปะเ้าก็ไม่อยากจะมาช่วยเหลือเราช่วยเหลือนี่ไม่ดีถูกเรากัด อ, อีกใช่ไหมการมี การกระทำความดีโดยเฉพาะกับผู้มีพระคุณนี่มันจะทำให้เราเป็นคนดีแล้วความดีของเรานี่ยจะทำให้เรามีคนคนที่เขารักเขาชอบเราเขาสนับสนุนช่วยเหลือเราคำถามจากคุณจตุพรการที่วิญญาณมาให้เราเห็นคือเขาขอส่วนบุญจริงไหมคะไม่หรอกก็ต้องถามม่ก่อนเลยเขามาทำไมบางทีเขาคิดถึงเราก็ไม่อยากจะได้อะไรก็นะ เขคุยเขาสอถามดูว่ามาทําไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอยากใช้ส่งอะไรไปหรือเปล่าคําถามจากคุณหนูจิตดวงนี้ไม่มีแก่ใช่ไหมเจ้าคะยังอยากสวยอยากงามอยากศิลกรรมจะพิจารณาอย่างไรจะตัดได้เจ้าคะก็พิจารณาว่าร่างกายมันไม่เที่ยงทําสัญญกรรมไงมันก็แก่อยู่นั่นแนหะอย่าไปทําให้มันเหนื่อยเลยหมดล้วหมดแล้วนะ